ที่นี้ทรงหมายถึงการบวชครัเพราะว่าในสูตรนั้นพระองค์ได้ทรงบวชเป็นสาวกสมุติของพระพุทธกัจปะหลังจากที่ได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาแล้วตามท้องเรื่องในสูตรที่ได้เล่าไปเพะนั้นจริงทรงยืนยันได้ว่าเราได้พระพุทธองค์อาจารย์ในพระผู้มีพระภาคโตนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่พระวาติทีสําคัญ คำว่าพระประจันในที่นี้เป็นมัคคะพระประจันผิดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่โอกันตานิยามไม่ได้ใช้โอกกันตานิยามเปหมายถึงโตัวดาปิมางเมื่อพระราตรีได้ยกพระสูตรมาเราก็รับว่าใช่ใช่ในที่นี้หมายถึงพระสูตรตาัอย่างนี้จริงๆเรารับว่าใช่คือตาัอย่างนี้จริงแต่ไม่ใช่ความหมายอย่างท่านเข้าใจ แตเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งจ่างหากที่ทางไม่สนใจเราก็ถึงได้ยกประศุข์ขึ้นมาบ้างนะฮะประศุข์ในที่นี้ก็อยู่ทั้งในที่ในอยู่นทั้งในประศุนะครับคือในที่ในเล่มที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดแล้วก็ประศุข์เล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยสิบสามพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงฐานะของพระองค์เอาไว้ ในพระสูตรนี้ตักบุคคลผู้หนึ่งคือคือใครครับภูปกาฮีบุกแก่ไหมคับเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกมนุษย์นะถ้าพูดถึงมนุษย์ถ้าพูดถึงเทวดาก็ร่รู้ก่อนพูดถึงมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกของโลกท่านคนนั้นก็คือฮีบุกคนนี้เนะี่ย แต่พบคนแรกไวเงี้ยละครับใ่เห็นอร่อยไจเได้สวยคนที่เห็นอีกกลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นคือ อ, อปัญญวะเคียถึงจะได้แต่สนุกท่านได้ตรัส ก, กับมาชีวกน้นว่าเราเป็นผู้ครอบงำเสียซึ่งทำทั้งปวงเป็นผู้รู้แจ้งทำทั้งปวง ไม่ติดแล้วในธรรมทั้งปวงละเสียซึ่งโลกียธรรมทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นไปแห่งตัณหาอ่าเราก็ดูความหมายกนนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่คาว่าครอบงำคาว่าครอบงำเนี่ยใช้เป็นสองกรณีกรณีหนึ่งครอบงำหมายถึงไม่ติดนะครับ โลกแทนที่จะครอบงำโลกโล์กับครอบงำโลกอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุรีชนถือว่าเราถูกก า, ารมมาคุณอารมณ์ครอบงำดก็เราติดใช่มครัมันทําให้เราเกิดกิเลสได้ จ, จึงที่โรกมันครอบงำเราแต่ถ้าพระองค์ไม่เกิดกิเลสใครไม่เกิดกิเลสในอารมณ์เหล่านั้นตั้งแต่อาคุสลธรรมการมมาคุณอารมณ์ฌานานอารมณ์มรรคผลกันทั่งลิขานที่บุรุษก็ทรงครอบงำมีประการหนึ่งและครอบงามีประการหนึ่งนั้นหมายถึง รู้ในสภาวะธรรทั้งหลายเราเนี่ยเราดูสภาวะธรรทั้งหลายครอบงําในแง่เอาวิชาเห็นเราเห็นอะไรแล้วก็มันเพี้ยนหมดอาวิชาไอคืออารมณ์ครอบงำเร า, า, เ ท, าำทำให้เราโง่ตัวไงทําให้เราโง่เห็นรูปแล้วเราก็โง่แล้วรูปนะั้นได้อะไรก็กโง่ก็โงโง้สิ่นะแต่พระพุทธเจ้านั้นตรงรู้ทุกอย่างก็ไม่ต้งเจริญไหน ที่เป็นคู่รู้แจ้งทำมั่วขวบนี่ก็ไขในแง่ว่าเป็นตรงเป็นผู้รู้แจ้ ง, ม ง, นน ง, ง, ง, งไม่ติดแล้วในทำมั่วขวบอันนี้ก็กล่าวในแง่งของอออสองสอ ง, องบทหลังนี่ก็เป็นการแยกเฉพาะในคำนํำประกอบ้นรักเสียซึ่งโลภีธรรมคําว่ารักตรงนี้หมายความว่อย่างไรรักหมายถึงอะไรครับใครเรืองสองอย่างหนึ่งนิสสารนวิมุตติหรือ สองละคือ ล, ลักกิเลสในโลเกียรธรรมตัวหัวทีนี้ถ้า บ, บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงรักคือนิสระณนะรักโลเกียรธรรมเนี่ยทรงรักหรืออย่างลกอย่างใช่ไหมครับยังทรงรเรียวกว่าครองขันอยู่แต่ตรัสว่าอย่างนี้เนี่ยทรงตรัสตรัสหมายถึงการที่พระองค์ทรง ถึงความเป็นผู้ที่ละถอนไปจากโลภียธรรมแล้วเหมือนชาติสินแล้วใช่ได้ที่บารมีชาติสิ้นแล้วคือชาตจะไม่เกิดอีกแล้วใครที่จะไม่เกิดอีกแง้วถือว่าชาติสิแล้วออันนี้ก็เหมือนกันแล้วองค์เนี่ยหลังจากชาตนี้แล้วส่งไปไหนแน่นิพานแน่เนี่ย ก็กล่าวได้ว่าตรงรักซึ่งโลเียครมทั้วัวแม้ยังไม่ทรงอนุปาทิเสแต่นิพานก็ตามเหมือนกับที่กล่าวหนล่าวหลนวว้ตายสิ้นแล้วนั่นแหละถึงจะยางไม่ตายก็ตามนะฮะชาพ้นจากชาพ้นจากชรลาพ้นจากมรณะเพราะว่าเข้าเข้าถือเอาไอ้กิเลสข้างในเป็นตัวก่อสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเป็นประธานจึงกล่าวอย่างนั้น คนแล้วก็สิ้นตัญหานี่ก็พูดถึงสมุทัยนะที่คนเราจะพ้นอย่างทุกแง่ทุ ก, ทกมุมเนี่ยแปลว่าคนนั้นต้องตัดตัญหาได้ถ้าตัดตัญหาได้ก็หมายก็ว่าคนจริงๆคือเป็นา้าลถ้าตัดทิผีได้ก็ยังไม่พ้นร้อนเาร์เซ็นตอยังเป็นแค่โ ต, ตาบันต่อไปนะครับในหน้าสา ว, ว่าเรารู้ด้วยปัญญายิ่งแล้วริงเองแล้ว มีคำว่าเองด้วยนะครับเองเนี่ยหมายถึงจะพอตนจะพึงอ้างศาสดาใดเล่าอาจารย์ของเราไม่มีครับู่ที่จะเสมอเราก็ไม่มีเราไม่มีบุคคลเปรียบในโลกนี้กับทางเดียวโลกทุกเนี้ยเราก็เคยพูดกันเป็นลักษณะโยนกันคิดว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าจัดมาเราจะพึงอ้างศาสดาใดเล่า อ้าหมายถึงอ้างอ้างอาจารย์นะครับหรืออ้างเพื่ออ้างที่ยังอิงแต่อย่างเราเนี่ยเราจะพูดอะไรอะไรเราต้องอ้างที่ยังอิงใช่ไหมเดี๋ยวทุกวันนี้จะพูดอะไรก็แล้วแต่จาพูดกันอย่างเรียกว่าครูของคนที่ไม่มีมายาสัยนะครับความรู้อะไรต่างของเราเนี่ยเราจะต้องมีเที่ยงอิงทังนั้นไม่ว่าอะไรเรายกมาขนาดแต่เป็นการเขียนตาราทางวิทยาลุกคนอะที่ยิ่งขับเลยนะครับ แต่เขียนตรงๆแล้วไม่มีที่อางอิงอาจารย์ก็ไม่ให้ไม่ผ่านต้องอ้างอิงหรือถ้าเราจะพูดจะอะไรเราก็อ้างถ้าเป็นความเห็นของเราเนี่ยเราก็พูดเสี้ยอ่อยหน่อยนะออยนี่อันนี้เป็นปั๊มเป็นเพียงความเห็นเท่านั้นนะดังนั้นท่านจริงไม่ต้องอ้างส า, ศ า, ศาระเลยไม่ต้องเงนหน้าหาอาจารย์อาจารย์คือผู้สอน ของเราไม่มีองนี้ทักเลยตอนจะเคําว่าอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงอาจารย์ที่สอนวิชา18สาขาแต่ทั่งมาถึงอาจารย์คนท้ายสุดเมื่อบวดแล้วดาบทชสองคนงกระทั่งอาจารย์ในลัทธิของพวกนีิครตก็เป็นอาจารย์เั่านั้นแหละแต่ท่านบอกว่านั่นไม่ใชอาา่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ ที่สอนที่ทําให้ท่านได้บรรลุเป็นอริยบุคคลมีความเป็นเจ้าพุทธเจ้าเป็นลูงสุตนี้ไม่ได้มีอาจารย์คนไหนมาทําให้เป็นท่านจตุรุองทีนี้ท่านลองคิดนะครับถ้าบังเอิญบังเอิญว่าอาจารย์เก่าท่านยังอยู่เนี่ยท่านจะทํำยังไง ไ, ไเเปเจอกลางถนนเคยตอนมาไม่รู้อ า, าดาจาาบทุตการดาบทีาาบ่ยังไม่ตายอาจารย์พวกเกวีรดาบทอะไรนะเก ด่าบทที่ร้องไห้จะ ต, ตายไปก่อนเหมือนกันนะเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมสองสีเจอท่านจะทําอย่างไรก็ก็ต้องบอกว่าทําแบบแบบที่ออกมาบวชเลยนะ บ, บวชรอองคุติจา่ามาศรู้อยู่คนนะคือ อ, องค์องค์หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้แก่อัญญาโก น, นัญญะเป็นใช่ไหมฮะอัญญาโกนัญญาเจอกันเป็นไงใครทาําป็นไงใครเขาก็ต้องนับถือรูุ้ติจา่า คือคนที่มีภูมิสูงเนี่ยคนที่มีภูมิธรรมเหนือนคนธรรมดาจะมองเห็นครับจะรู้สึกได้เหมือ่อจะรู้สึกได้จะยอมรับไายที่จะไม่ไม่ยอมรับคนที่เขามีภูมิธรรมดีๆเนี่ยก็คือคนที่จิตใจอย่าบๆนะฮนะ ใ, นนใจโปร่งใจหยาบในสมัยจะหลับเราไม่รู้อ่ะแต่คนรู้แล้วก็หลับขานาพ่อของพ่อองค์เอ ง, ย, งยังเสิร์ฟไหวลูกงนอนแ บ, บอกเบาอยู่ในในกระดง้งในอู่ ไหว้เถอไว่ า, วา้วยความเห็นสาควา ม, มองคันของบุญตัวก็วอย่างไหว้ไเห็นะ่ไหมบางคนยังยกมือไหว้เมียตัวเองก็มีที่รับรองเลยครับอเอเนี่ยเพราะว่ามีอานเนี้ยเขาไปปฏิบัติทำเมีวยวกันปฏิบัติการแบบบอสหัวดูเมียไม่ได้เมียปฏิบัติดี เขายกมือไหว้เลยมเไม่ใช่ว่าไม่ใชว่าล้อเล่นนะไหว้จริงจริงเพราเขาเหเห็นความสําเร็จเห็นคุณธรรมนี่ก็ไดแล้วก็าสะดุดสันเเซอร์เจอในดดอนะบุญดีกว่าปเขาเนียบุญดีกว่าบารมีดีกว่ายัางมึงก็ยังมีเราะวาเมองคุณธรรมเท่าไหร่จริงๆไม่ใช่อคตันยูนะครับตัวเนี้ยหมายถึงอาจารย์สอนให้เป็น้าตฆาตสาราาไม่มี และท่านก็พูดต่อไป่ะแม้แต่คู้ที่จะเสมอเราก็ไม่มีแค่เสมอไม่มีเพาว่าเสมอไม่มีไม่ได้ตรงหมายถึงอดีตพุทธะนะตรงหมายถึงคนในสมัยนั้นตั้งแต่เอเ ว, ว, เ ว, ว ท, ทีนรกขึ้นไปเดินทัางถึงพระมรรคกา ร, รกสูงสุดที่เดี๋ยวนั้นที่เสมอไม่มีไม่ได้ตรงสารว่าแม้อดีตการนานไกลปัจจุบันนี้อนาคตที่จะถึงเบื้องหน้าท่านไม่มีดีสุดก็มีในใครดีกว่าเราเลย ไมเสมอเราเลยไม่ดีกว่ามีผพูดแต่ที่เสมอเรามีครับมีแต่ยิ่งกว่านี้ไม่มีเราไม่มีบุคคลเปรียบในโลกนี้จากทั้งเทวโลกทเทวโลกมันรวมหมดทั้งหมดท่านในพูดในภูมิต่ำนะเพราะว่าภูมิต่ำเปนของแน่อยู่แล้ว ไปต้องไปบอ ก, กเอาที่ผมบอกเอาเวทีขึ้นไปในกระพูดนนะฮะเต็มปูนท่านไม่ต้องไปพูดแอ่ไปยังพูนเพราว่าชัดๆอยู่แล้วพราะเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นศาสดาที่ไม่มีศาสดาอื่นยิ่งกว่าคำว่าศาสดาอื่นไม่ได้หมายถึงพระพุทธศาสดาอื่นแต่หมายถึงรักเจ้ารักอีกอื่นให้คําว่าศาสตราเนี่ยศรัทธาเนี่ยเป็นาศาสตาสามอย่างพวกมีอยู่ในโลก พวกหนึ่งเป็นอุเกต้าพวกหนึ่งเป็นสัตตนาพวกหนึ่งไม่ใช่สองพวกหนึ่งคือกับพุทธเจานอกนั้นก็เป็นพวกอื่นเรียกสาตตนาเหมือนกันในปัตตุสากคํำว่าปัตตุสากที่เราเอามาใช้ก็เป็นคําเก่าที่เขาก็เรียกกันมาปาวัจนะหรือปาปดเขาก็เรียกกันมาในศาสนาอื่นธรรมก็ดีวินัยก็ดีธรรมวินัยก็ดี ก็เรียนกันมาในทาสนาอื่นเป็นับเก่าวบทถัดไปได้ตรักต่อไปว่าเราเป็นผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่บอกเป็นผู้เดียวคือผู้เดียวที่ตัดโลเองโดยต่ผู้เดียวในขณะนั้นแหละไม่ได้หมายเพราะว่าตรงค์กจ้กามีได้องค์เดียวไม่ว่าจะเป็นปฏิบันธิ์นาคตไม่ได้หมายยังไงเป็นผู้ย็นแล้วเป็นผู้ดับแล้ว เราจะไปยังเมืองแห่งชาวกาสีเมืองอะไรไปที่ไหนครับที่นั่นมันอยู่ที่เมืองกาสีคือที่มฤุกขายาวันที่มฤุกขายาวันเพื่อไปหาพระปัญจวัคคีย์นั่นเองเพื่อยังธรรมจักรให้เป็นไปคือหมุนธรรมจักรธรรมจักรสัพพวติหมุนธรรมจักร อันนี้ก็เป็นํานวนเกียบกับพระเจ้าจากักรพรรดินะ่ยเราจากตีอามัตาเทรีเทรีแปลว่าอะไรกลองอามัตาเทรีแปลว่ากลองแห่งความไม่ตายทำไมทาไมนึกว่านะันเพราะกลองนี้ใครได้ยินแล้วคน้จะคนจากชาจรามมนาโสกัปริเชวาสุ ก, กัธโทมนันะไม่เหมือนกลองอื่น ก็องคือคนได้ยินแล้วบางทีแก้วหูแตกนี่ปัวกองมันหรือหูหนวกไปเลยอย่างที่ไปในดิสโก้เทกอะไรพวกเนี้ย <c oughs> <c oughs> มีอไม่ใช่มาตากเอรี <c oughs> เสียมวิบัติเอรี มาเป็นครั้งแรกที่มีคําว่าคำบรรจักรพระพุทธวัตรกันไหมใช่ครับเราถึงถือเป็นบัญชีมรดกศรีษะนั้นสคําว่าจักรอันนี้มุ่งหมายอะไรอ๋อเป็นคำเรียนหรือคำเทียบเทียงกับจักรรีษนะของพระเจ้าสุรพันธ์บรรจักรอันนั้เป็นพาหะหรือเป็นอะไรเป็นทุกอย่าง คือหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นรถลบหรือเป็นแสตยาลุภพเป็นอาวุธก็ได้แล้วก็เป็นพาหนะก็ได้แล้วก็เป็นยศก็ได้เป็นยศหรือเรียกว่าเป็นอะไรจะคล้ายๆเป็นตัวสัตว์นามาราว่าพระเจ้าเดชภัทรเนี่ยถ่าจับมิหายแล้วว่าเรียกว่าเจ้าหลุดหรือ ร่วงจับผันถึงอยาตั้งมันไม่เหมือกับมูราธาวิเศษถ้าถ้าไม่ใช่กระตัดอย่างนี้นะเป็นมูรถาวิเศษตะ่านมูรถาเสร็มนะเป็นกรัตัดสมบูรณ์แบบตามทิ่มีการแต่ถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยไม่มีใครมามูรธาวิเศษไม่ได้แต่จักปรากฏเัืไหร่แลว่าตอนนั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นการสถาปนาโดยบุญใครจะไปขอร้องจักรมาเขาไม่ได้ใครีะไปเขียนจักรมาเขาไม่ได้ บุนเป็นตัวการนำมาขอวิจารณ์ในง่สังคมเนะั็หน่อยนะคือจะลุกลอ้อจากคืออะไรซึ่งกลมกลมนหมุนนะใช่ไหมถือว่างง น, นะในแง่ของ เ, ออเทคโนโลยีแล้วกันถือว่าลุก้อเนี่ยมันเป็นผลิตกรรมที่ใหญ่ยิ่งของมนุษย์นะ เพราะว่าก่อนมีลุกลอเนี่ยพาหนะใช่จะไปแล้วก็ลากกันปื้อเหมือนที่เลื่อนหรือเหมือน อ, อะไรนะซึ่งมันมันไม่ไม่ไวมันไม่ไม่ไม่ไม่ค่องแคลวนะอะไรที่หมุนหมุนแล้วถ้าเอาไปทำเป็นให้ให้เหมือนอย่างอะไรที่คว้างได้แล้วมันคมเนี่ยมันก็เป็นอาวุธนะฮะแล้วจะให้มันมีที่เหมือนอย่างในเรื่องรามเกียรติ์หรือไม่ก็ตามทีก็ะนะ แต่ว่ามันเป็นปฏิกรรมที่ที่สําคัญของหรือเกินของมนุษย์่แม้ในปัจจุบันเนี่ยเราเติบโตมาในเทคโนโลยีมากมายเลยเราก็ยกังต้องใช้จับอยู่นั่นแหละใช้วงกระดกต้องใช้เอเน็นเอไอการถ่ายทอดพลังงานอะไรอย่างไรงผมก็เคยให้ก้อสังเกตว่าเรื่องความโกรธมันเป็นเรื่องแปรหลายประการนะจริงมาพูดกันแค่สองชัวงสี่ชั่วโกงก็ได้ให้พูดเอาทํามะก็ได้หรือพูดทิ้งโลกก็พอได้ มันเป็นเรื่องแปลกอย่างกลมกมเนมันเหมือนจะสอดคล้องกับอะไรหลายอย่างในในจัตเจกภพนี่นะแต่เกิดอะไรมันก็ลายกลมกลมนัแต่มันเป็นเรื่องความหงุนเวียอธิบายเป็นภาษาธรรเป็นเรื่องความหมุนเวียนก็ได้ซึ่งแล้วไอ้แง่ของอรรถผลธรรมนั่นไงเป็นอะไรับเอ่อเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านใช้อุปมาจากเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการใช้อุปมาของสิ่งที่มีเอ่อ ก็สิตวิชาสื่อที่มนุษย์รู้จักครับวันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นคำอัศจรรย์เฉชวานะเป็นคาอัศจรรย์คาของจักรวาลนะที่ไม่จําไม่ได้จะมีหลายความหมายครับทำให้ไม่รู้สึกจะไม่ให้เป็นความหมายว่าเป็นจักอย่างนี้ที่ว่ามีอยู่ในพระสูตร กาจจถานก่ับแตมีคอธิบายไว้มีอย่างต่าไว้ต้องหลายคามหมายคาจักมีความหมายอีกอย่างก็มันจะทอ่นแหะนะแต่ว่าจักกระเนี่ยก็ยังไม่าจะมีความหมายกาแก้วด้วยอะไรจะมีความหมายกก็จักกระตนาแล้วว่าจักแก้วจักแก้วจักแก้วแล้ลังลอแก้วอะไรพวกนี้เป็นต่ว่าลอเดียวก็หยว่ามีความหมายได้คำรองเดียวกันความหมายหลักก็คือล้อรงม ความหมายเทียบเทียมก็ประเภทอะไรที่มันจะเรื่องวงรอบเรื่องการหมุนเวียนอะพวกนี้กระเด็นจากได้แต่สําหรับความประสงค์ของพระพิจารณ์นี้นะครับตรงประสงค์จะกล่าวเทียบกับจักรรัตนะของพระเจ้าสมภารอย่างที่ก็ะองค์ทรงจักแยกว่าทรงเป็นธรรราชาจักรรัตนะของท่านก็เป็นไปที่เรื่องอะไรเป็นรื่อเป็นตัวตนเรามาวาดเป็นตัวนตัวที่หนัก อระที่เราวาดนี่ก็ไม่ถึงจะเหมืจากลักษณะของพระเจ้าเจ้าพันซึ่งในตำราอธิบายลักษณะเอาไว้นะครับว่าจากลักษณะนี่เป็นยังไงที่เป็นของพระเจ้าเจ้าพันทีนี้เรามาเขียนนี่เราเอาทาไต่เข้าไปเห็ครับเอามาแปะไต่เข้าไปสองพนก็แปะทีสองพันก็มีปกตีแต่ว่าจัดสองพันก็มีสี่ตีสี่ตีตรนี้ แล้วจะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างของวัดรอของวัดมีมีถิ่งเนาะถิ่นของเนาะอ๋อแล้วพ่อแลผมนี่จไป้อ หว่าความมืดหายไปจากสันดานทุกคนนะั้นอุปการีว่าเพลกล่าวว่าอาวุโสอาวุโสนี่เป็นคํากล่าวเรียกผู้อาวุโสหรือผู้น้อยอาวุโสอ่าภาษาพระท่านเป็นคําสรรนาเรียกแต่เรียกผู้น้อยเรียว่าอาโสเรียกผู้ ใช้อยู่ที่เลยครับแล้วถวบง า, างกะปิช้อุโตพันเตออุโตพันเตเอเย แ, แล้วอะไรนะออน้องสวยอ่ะก็ที่จริงไม่ ก็ไม่ได้นับถือสูตรนี้ก็มีการพิจารณาทำไม ถ, ถ้านับถือทำไมแลบริ้แลบริ้นแล้วไม่นับถือยังตันหัวได้อีกเราเราเราเคยมีคนหลายหลายคนแคยอธิบายว่าไม่นับถือนะแต่ว่าตามเนื้อในสูตรตานส่นก็ดีหรืออ่าขอ้อพิจารณาในแง่ประเพณีดีออีกส่วนหนึงก็ดีก็มีผู้อธิบายว่านับถือรับรอง แต่ที่วันรับรอเนี่ยบางท่านกะว่าเป็นการบาแนกแหนะแหนวอาเอ อ, เ อ, อดีเป็นว่ะเออคนเนี้ยเขาดีดีอเงี้ยลากเสียงหน่อยก็เลยบ้า น, นไม่ดีนะลอเรู้ันก่อนปฏว่าอุตโตนี่เป็นคำกล่าวอย่างเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเด็กนะครับ แล้วก็จริงๆโดยวัยวุธที่เห็นได้ด้ยวยตาเนี่ยก็เป็นเด็กกว่าใช่ไหมไอ้กีวกคนนี้คือปกากีวกนั้นอายุมากกว่าเกินดไหนเก็เรียกตามตามเนื้อทตามหนังตามวัว่าอุโตเหมือนอย่างที่พระมบุลสาธิตเคยเรียนมาแล้วที่มองๆองละเห็ยดเนี่อาจจะอายุน้อยกว่าเราแล้ ว, ลวก็วาอุโต เหมือนกัไปถามอะไรไใครก็เนี่ยบางทีเขาไปเรียกน้องๆ้ลย อ, อ, อย่างดีครับตาเขียวใสเลยเพราะว่าเขาอายุมากแต่เราสําคัญว่าเขาอายุน้อยตอนทีนี้เมื่อเรียกแล้วก็อบอกว่าตามที่ท่านสฏิญาณ น, นั้นแหละท่านก็ควรเป็นอนันตชินตรงนี้นะครับคําว่าอนันตชินที่นักแรียว่าจะนัอนันตาแกไม่มีที่จริงเลย คือันนี่เป็นตัพยที่เรียกว่ายิ่งกว่าผู้ชนะสิทธินะอนันตานี่แปลว่าลอบตัวไม่มีรอกตัวแล้วก็ไม่มีขอบเขตจึงเรียกว่าอนันตกิจ่ผู้ชนะอย่างไม่มีที่สุดไม่มีขอบเขตเนี่ยถ้าตามที่ท่านปฏิญาณ น, นั้นแหละท่านก็ควรเป็นอนันตกิี่คือ อาชีว์ในตรงนี้ยังไม่ได้บอกว่าท่านปริญาณในผมเชื่อนะผมเชื่อว่าท่านเป็นตามที่ท่านปริญาณและท่านเป็นก็ควรเป็นนานตจินจแต่พูดอย่างนี้ก็เป็นได้บอกว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านปฏิญาณท่านก็ต้องเป็นนานตะจี น, นจพูดแบบยิงคำพูดเขาแล้วก็ยีงหลักการหน่อย ทีนี้พระพุทเจ้าตรัสว่าคนเช่นเรานี้แหละที่ถึงแล้วสึ่งความสิณารวันเป็นผู้ที่ว่าชินะดูก่ อ, องอุปคุปกับเราชนะบาปธรปรทมทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงชื่อว่าชินะต่งนี้การนี้คาว่าชินะของท่านแทนที่ท่านจะไปพูดถึงอย่างอื่นท่านก็พูดถึงกิเลสช น, นะกิเลสซึ่งใน ง, ว ง, วงูนักปราศของ อินเดียนะครับแต่สมัยแม่ในชาตรงจะโดนอะไรเนี่ยนะครับก็ยกย่องว่าชนะตัวเองบางทีใช้คำว่าตัวเองตัวเองก็เรีณีหมายถึงที่เล็กตาตัวตนมี่นะหมายถึงี่เล็ใช้คำว่าตัวหรือใช้คําว่ากีเลศบ้างหรือใช้คําว่าชนะตันหาบ้างก็ตามไ่รู้ว่าเป็นยอดของของการชนะทีนี้ในนี้ก็ไม่ได้ยกตลอดถึงแต่ จากที่องค์การจีวกได้พบพระพุทธเจ้าครั้งนี้แล้วประเด็ฟังพุทธคุณบบจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยทรงตรัสอย่างมีนโยบายคือทรงเล็งเห็นอนาคตว่าคนนี้แล้วว่าเวลานี้จะยังไม่รับครรยังรับปรรุธรรมไม่ได้แต่ตรัสคล้ายๆว่าโฆธนาปูพื้นมาก่อนตอนนี้มันยังไม่ปวดหัวมันยังไม่คิดจะซื้อแต่ปวดหัวมัไใก็นึกได้ตก็โพษนาใส่หัวมก่อน วันหลังแกก็มีเรื่องดีๆไปหลังจากนั้นแกงเราไปแต่งงานนะครับไปได้ลูกสาวของพวกนักป๊อตแต่งงานก็ไปได้พูดง่ายว่าคนแก่มีเนี่ยสาวแกก็โดนไออานเลยนะครับและยิ่งเป็นนักบวชมา ก, ก่อนทั้งโลกไม่ไรู้ว่ <c oughs> าอย่างอีกที่ผมผมเคยว่าบอกแม่บางท่านนั่งสมาธิขึ้นสวรรค์นนในทุกชั้นรวดหมดเลย แกขึ้นลิ้งกดไม่ถูกครับกดไม่ถูกจะขึ้นไปกั้นไหนกดไาม่ถูกแกก็พายาในเรื่อ ง, องเิเก่งีวันในภาษาของนักบวดแต่พอไปลองเือน้ไม่เก่งก็เลยพูดไงทํารรมะจิตไมเก่แกก็ไม่ได้ทํามาิจะด้วยแกด้วยอะไรก็มีเก็ทเจการป้อนไปเนี่ยจนกระทั่งมีลูกมีตาแกก็เลี้ยงลูกหูทายเลี ก็ดีซะอย่างเป็นคงจะไม่ไม่จำนื้อเป็นมังงงมาได้ไม่ได้นะครับยขนห น, นก็อยูไปจนโนจ่าจะนไม่ไหวตัวอไรแมเรียกเก็บเก็บกดเก็บเอาไว้นานแล้วคงจะตั้งแต่แต่งานกี่เดือนแล้วไม่รู้นะผมเก็บจนมีนลูกมีตาแล้ว่ไม่เคยไม่เคอนแต่ทุกคนไม่ไหวยืนหนนีบุแล้วก็คนที่ทนึกได้ว่าจะเป็นที่บุณได้ ก, ก, ก็ น, น, น, นึกถเรื่องการไม่พบที่ตัวสังหาไม่กันะไรแบนี้ทีทนี้ตอนที่ก่อนจะจากกันให้ตูในในนี้นายกระดาษที่เรียนนี้เราไปบแลบลิ้นแล้วก็สายหมเดินลิน้นไปสั่นหนาสั่นหน้าของเราปฏิเสธใช่ไหมแต่แขกเนี่ยครับรังกลงรังกาเขาสั่นหน้าแล้วก็ยอมล้ว เขายอมรับแต่ถ้าเขาปฏิเสก็จะไปยักหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีวัฒนธรรมอยู่แล้วก็นแรกลิ้นนี่ก็ยังมีบางพวกหมายถึงการแสดงความเคารพอย่างพวกทีเบสเนี่ยเขาแสดงความเคารพด้วยการแลบลิ้นวิธีเคารพหลายอย่างนี้แต่ละขั้นแต่ละขั้นนะเอย่างเบาะเนี่ยก็แลบลิ้นแสดงความเคารพถึงชายชายว่าทางเราก็เก่งมากสวัสดีครับ ิดนะฮะว่าออจะดีความไปทางไหนกันแนะ่อ่นี่เป็นที่ยกมานี่ก็ต้องการจะยกคำยืนยนันของพุทธญาณนั้นเองนะครับว่าทรงประกาศฐานะอย่างไรสำหรับสูตรที่สองซึ่งจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดนี้นะครับก็เป็นเป็นในธรรมจักรกับพรวัตนสูงนั้นเองนะครับพระตรดกเล่ 14, 15, เมสิบสี่ข้อิบ้าพรตรดกเล่มสิบเก้าข้อหน้หห มีประตูมีอยู่สองแห่งก so ็เรื้องความในสูตรนั้นก็ในนี้ตัดเอาเรื่องอริยสัจมากราบเท่านั้นบรรยากาศอื่นไม่ได้พูดถึงซึ่งในที่นั้นก็ได้กล่าวสามาดูก่อนจุทั้งหลายทั้งหลายที่เรียกว่าพทั้งหลายท่านเห็นปัญญวิิและท่านก็ประกาศว่าจับสุญญาปัญญาวิชาหาโุกัซึ่งเป็นไว้คนของปัญญาเจรสติหรือได้แก่ ม, มัคคิจมีรารารรมะคเป็นที่สดได้เกิดขึ้นแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้จะดักมาแล้วในการก่อนว่าอาริยสัจสีนะครับปฏิวัติสามการติดต่อเนี่ยก็ยก ม, มาถามว่าใช่ใช่ไหมสิ่งนี่ชัดมากนะครับแสดงว่าไม่เคยเกิดมาก่อนจริงๆถ้าเคยเกิดมาก่อนท่านก็จะบอเคยเกิดมาแล้วหนึ่งเราตัตาดยังไงท่นนี่บอกว่าไม่เคยเกิดมาก่อน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนย่างที่สาคัญเถียงไม่ได้ทีเดียวอ้าไม่เคยเกิดพราะมัธยีเกิดก็ต้องรูัวเรียนตัดสินตอนหน้าเราจะพูดเรื่องที่สิเจก็คงจะเรื่องเดียวนะครับคงจะพูดเลยเดียวขยายมากก็พูดได้ตั้งนานเลยก็ดูนะครับแต่ผมดูอาจารย์พูดเบาๆแล้วก็พูดเรื่องที่สิแปดเดินได้พบกันวันจันทร์หน้าครับ